นับปฏิปัสสเพตพระอัฐารสกะว่าด้วยองค์18ของภิกษุที่สงไม่พึงระงับนิยสกรรมหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสง์ไม่พึงระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หคือ 1. ให้อุปสมบท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 ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับนิยสกรรมแกภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ต้องอาบัตที่เป็นเหตุให้ถูกสงลงนิยสกรรม 2. ต้องอาบัตอื่นทํานองเดียวกัน 3. ต้องอาบัตที่เลวซามกว่านั้น 4. ตํตำหนิ ก, กรรมตําตำหนิภิกษุผู้ทํากรรม ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลหมวดที่สภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์8อีกอย่างหนึ่งคือ 1.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 ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แปดเหล่านี้แหลนับปฏิปัสัมเพตพระอัฐารสกะจบ